พอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรซึ่งทางจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวารณ า, า, าสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการประวาราัณาวันก่อนได้พูดถึงช่วงที่พระพุทธเจ้าได้รับสามได้รับสั่งถามคณะสงฆ์ประมาณห้าร้อยรูปว่า มีใครจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรพระองค์บางใหม่ภาษาริบุตรก็ได้กราบทูลแทนคณะสงฆ์แต่ละรูปนั้นไม่ได้เห็นอะไรที่ควรดำเนติเตียนพระบูมีประภาทยาวเมื้องพระเจ้าจรับสั่งถามพระสงฆ์ภาษาริบุตรกราบทูลตัวในฐานะเป็นตัวแทน ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เห็นจุจดบกพร่องอะไรของท่านเหล่านั้นที่ควรแก่การตักเตือนติเตียนบ้างหรือพระเจ้าก็รับสั่งว่าพระองค์ก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่การที่ไม่เห็นก็เพราะว่าพร ะ, พระที่มาประชุมกันทั้งหมดห้าร้อยรูปนี้สิบรูปเป็นได้วิชาสามคือเป็นพระอรหันต์ อีก60รูปได้อภิญญาหกอีกยี่อีก6กสิบรูปเป็นผู้ได้อุปโตภาควิออมุตต์คือเป็นพระหันทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่ยังเหลือก็เป็นพระหันรประเภทที่เรียกว่าสุขาวิปัสสโกจะได้โดยการเจริญวิปัสสนามาล้วนๆเราเรียกว่าพระอาหารหันต์สุขาวิปัสสก แต่ถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะพบว่าประหารประเภทสุ ข, ขาวิปัสสกไม่มีมากท่านก็อยู่เงียบๆของท่านแต่เราเจอชื่อเสียงเรียงนามของท่านเขามีจำนวนน้อยห็นยกตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่ได้ยินได้ฟังก็คือเรื่องพระจักกุบาลเพราะว่าพระจักกุบาล น, นั้นท่าน บรรลุมรควผลแบบนั้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านมันอยู่ในหนังสือธรรมบทเล่มแรกแล้วก็จากพระคาถาแรกด้วยส่วนมากคนที่อ่านธรรมบทก็ต้องได้อ่านพระคาถานี้แล้วก็ได้อ่านประวัติของพระจักรกุบาลท่านจะไม่ค่อยมีผลงานในการสั่งสอนแนะนําต่างๆ คือท่านบอกว่าเป็นการหลุดพ้นแบบแพ่งแรงมาความเมกิเลตหมดไปเลยแต่ว่าความแตกฉานในธรรมะนั้นไม่ได้แตกฉานหรือไม่ได้แตกฉานในพระไตรปิฎกอย่างพวกวิชาสามอย่างพวกไปสัมพิทาสี่อย่างพวกกปิญญาหกเนี่ยจะมีความรอบรู้แตกฉานแล้วก็มีผลงานเหลืออยู่เยอะ ทีนี้ทศสารีบุตรก็กล่าวทูลว่าสำหรับพระสงฆ์เหล่านี้แต่และรูปเนี่ยควรติเปียนหรือไม่ก็สรุปแล้วว่าไม่ควรติเปียนพอดีพระวังทีสะซึ่งเราผ่านเรื่องของท่านมาโดยลำดับตรงนี้ก็อยู่ในวังทีสะสังยุทธ์รเรื่องที่เกี่ยวกับพระวังทีสะ ท่านก็รู้สึกศรัทธาเลื่อมใสเห็นปรากฏการที่อัศจรรย์ก็คือว่าพระประชุมกันตั้งห้าร้อยแต่ละรูปไม่มีความประพฤติอะไรที่ควรแก่การตำหนิท่วงทิงแต่ประการใดก็เป็นเรื่องอาศัยมาตรฐานของพระธรรมวินะัยนะคือหมายความมาไม่มีใครล่วงละเมิดพระธรรมวินัย แต่คนถ้าจะใช้อารมณ์มันก็คงคงตีเกียนได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เคยมีคนตีเตียนพระหานก็มีคนตีเกียร์ในภาษาทีบุตรเองก็เคยมีคนตีเตียน์แต่เป็นการตีเตียนโดยไม่ได้ใช้มาตวันว่ามผิดวินัยข้อไหนผิดธรรมะข้อไหนหรือธรรมะข้อใ ด, อดที่ขาดไปบอบร่องไป มันก็เป็นคนละประเด็นกันเพราะประเด็นนี้ก็จะพูดเรื่องวินยูชนติเตียนหรือวินยูชนยกย่องเพราะวินยูชนท่านไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ท่านใช้มาดคือพระธรรมวินัยเป็นมาดวัดผิดก็ผิดอย่างที่วินัยว่าผิดอย่างที่ธรรมะว่าผิดคือไม่ใช่เราว่าผิด อย่างข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าข้เจ้ามั่นใจว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องอารมณ์มีเอกสารทางวิชาการเยอะมากในลักษณะอย่างนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปาตกรถาการอภิปรายการโต้ตอบ พวกนักกุจารทั้งหลายจะใช้แนวความคิดเนี่ยโดยไม่ก็มีที่ไปที่มาไม่มีหลักั้างอิงอะไรแล้วก็พอมีการซักถามมันก็แก้ต่างอิเล็กเคขาไปเรื่อยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคำพูดคำจาเหล่านี้ควรจะได้เรื่องคือเป็นเรื่อง แต่ก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่าใช้เป็นหลักฐานไม่ได้มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะอ้างเป็นหลักฐานแต่พระบังคีสสะตอนนั้นก็แสดงว่าท่านก็ต้องเป็นพระยาบุคคลแล้วเพราะว่าหมดแล้วนะคือ500ห้าร้อยรูปในท่านก็อยู่หนึ่งในห้าร้อยมันแก่ท่านเลิศในฐานปฏิภาน พอได้ยินพระพุทธเจ้าดำรัสหรือภาษาบุตกรกก่าวคาถาเนี่ยท่านจะเข้าใจแล้วก็แต่งออกมาเป็นกรอนได้ก็แต่งปากเปล่ามาเลยนะฮะไม่ได้เขียนกระดาษอะไรหรอกเวลาท่านพูดทานพูดออกมาเป็นปากเปล่าแต่ว่าเป็นฉันทลักษ์อธิบายเรื่องราวเหล่านั้นเพราะในที่นี้ท่านก็ได้กราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า พระภาษิตของพระผู้มีรพระเจ้านั้นแจ่มแจ้งแก่ท่านก็ เ, เป็นการขอโอกาสที่จะกล่าวธรรมะเหล่านั้นเป็นพระคถาพระเจ้าประทรงประทานพุทธานุญาตท่านก็กล่าวว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่สิบห้าก็คือขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ด ที่เราเรียกว่าวันหมหาปวารณารุ่งขึ้นเช้าซึ่งเป็นวันแรมเดือนค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เรียกวันออกพรรษาเพในวันปารณาโดยหลักปฏิบัติตามพระวินัยไม่จำเป็นพระก็ไม่ออกไปนอกเขตวัดเรียกว่ายัางรักษาราชีอยู่ หมายความมาในคืนของวันที่สิบห้าเนะ่อยู่จนรุ่งแล้วถ้าจะไปไหนก็ไปตอนเชา้าไปได้เพราะว่ามันเป็นวันออกพรรษาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่มีลักเป็นกิจจะลักษณะพระนก็อนุญาตให้ไปได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าต้องกลับมาภายในเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปก็พันสาขาดแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องอบัตอบัตก็ไม่แรงหรอกแต่ว่าเขาถือกันมากเรื่องพันสาแต่อภัตทุกกฎแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับจารีดประเพณีแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างนึง้ง เราถือว่าเป็นวันสำคัญนะคือตั้งใจเอาไว้ว่างานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไท ย, ยต้องการจะรณรงค์เพื่อปลุกร้าเชิญชวนจักชวนให้คนหันมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมงดเวรนบายมุกรักษาศีลก็เรียกว่าสี่เดือนสามเดือนนะฮะสามเดือน สามสี่ก็สิบสองก็ปีละสี่ครั้งวันมาฆบูชาขึ้นสิบห้าคำเดือนมาฆเดือนสามขึ้นสิบห้าคำเดือนหกขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดแล้วก็ขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดก็พูดก็ผู้ใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีเอาไว้แต่ว่าท่านก็ ลาออกไปแล้งานเหล่านี้ก็เดินไม่ได้เพราะถ้าเรามีการปลุกราวกันมีการย้ำเตือนแล้วก็นำคนเหล่านั้นมายกย่องสนเสริให้ปรากฏต่อสาธารณชนแล้วก็ให้ความสำคัญโดยวิธีอะไรก็ตามนะฮะโดยการยกย่องเชิดชูให้ปรากฏ โดยเป็นบุธิบัตรหรือเกียรติบัตรหรืออย่างเสาเซมาธรรมจักอย่างเงี้ยที่เราได้มอบให้แก่ท่านผู้มีอุปราคะคุณต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าปีหนึ่งก็มีร้อยกว่าเสาร้อยหกสิบขึ้นส่วนมากก็จะร้อยหกสิบขึ้น ทา ง, งที่เราประกาศเป็นการแพร่หลายทั่วประเทศในจังหวัดแต่ละจังหวัดคัดสรรบุคคลที่มีคุณุปการต่อพระพุทธศาสนาดีเด่นในในด้านใดก็ได้นะหลายด้านวางเลยแต่ก็ได้รับส่งมาน้อยพอคัดสรรเกิดไปกำหนดจำนวนเอาไว้ เราทำใหกิจกรรมเหล่านี้ไม่ทั่วถึงแก่คนดีคือคนดีมันมีมากเหลือเกินมันก็น่าจะเอามายกย่องชื่นชมเรามีศิลปินแห่งชาติเรามีอะไรต่ออะไรแห่งชาติแต่เราก็ไม่ได้มีคนที่ําเป็นสาธารณประโยชน์แห่งชาติ ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าการยกย่องบุคคลเหล่านี้ที่จริงก็คือยกย่องธรรมะตั้งเหล่านี้ก็แสดงความมีธรรมะออกมาและอย่าลืมว่าคนทํางานที่เกี่ยวกับกุศลสาธารณะเนี่ยมันมีแต่เอาของตัวเองออกไปโอกาสที่จะได้เข้ามานี่ยากเพราต้องเสียสละต้องเสียเนื้อตัวเอง ก่อนหน้านั้นเขาก็ทำงานมาด้วยความเหือยากลำบากรเราไม่มีการปลุกรา้าไม่มีการยกจ้องชื่นชมหรือให้รางวัลหรือประกาศกิตติคุณอะไรต่างๆวนนี้ส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นคลื่นกระทบฝังไปขาดแรงกระตุ้นแรงกระตุนะต้นทางศีลธรรมนี่น ท, นที่จริงควรจะมีมาก อย่างเนี้อย่างแนวที่ระวังขีระทั้งกล่าวเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้พระรูปอื่นที่ไม่อยู่ในจำนวนนั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังการยกย่องสรรเสริญและวพระเจา้าทรงอนุโมทนาก็เหมือนพระพุทธเจา้าทรงยกย่องเองนั่นแหละท่านก็จะเกิดสำนึกที่จะ ทำตนให้เป็นที่ยกย่องของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นวิธีสร้างให้มีคนดีเกิดขึ้นในแผ่นดินอย่างนี้ตรนนี้ท่านก็บอกเป็นรายงานนะวันนี้เป็นวันอุโบสถที่15ภิกษุ500รูปมาประชุมกันเพื่อความบริสุทธิ์คือก่อนที่จะประวนาะเนี่ย พระรูปใดยังต้องอาบัตเล็กๆและน้อยอยู่นะต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์จากอาบัตหรือแสดงอาบัตต่อเพื่อนพิกษุรูปอื่นและทุกรูปต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ก่อนจิ้งข้าวไปในพระบูชแล้วก็อย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้ในวันก่อนว่า ข้อความในตอนหลังที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ไม่ได้เหมือนอย่างนี้คือเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าขอบรรณาต่อสงฆ์ได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามรังเกียจสงสัยก็ตามในพฤติกรรมของข้าพเจ้าก็ข อ, ขอให้กรุณาบอกกล่าวชี้แนะตักเตือนได้ แล้วก็ถ้าเห็นได้แล้วลึกได้ก็ตั้งใจจะสํารวจระวังต่อไปแต่ในที่นี้ก็ให้วิจารออกมาเลย แ, แสดงว่าสมัยพุทธกาลก็ให้วิจารออกมาเลยวิจารเป็นภาพรวมตรงนี้เป็นภาพรวมนะฮะแต่ที่นี้เมื่อแต่ละองค์บริสุทธิ์ก็ไม่มีจุดอ่อนที่จะวิจาร พระนานี้ก็ประนาเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆก็ถ้าเราเรียกเต็มที่เนี่ยฮะเาเรียกปริสุทธิอุโบสถแต่ว่าปริสุทธิอุโบสถที่จริงไม่ต้องถึงกระสวดตรวจปฏิมโมกนะฮะอย่างเนี่ยอย่างในวันมาค้าบูชาเนี่ยก็ทําปริสุทธิอุโบสถพระเจ้าก็ทรงแสดงโอวาตปฏิมโมก็จบ เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระหานรุนแนวที่ต้องสวดปฏิโมกข์มันเป็นแนวที่เกิดขึ้นทีหลังตามหรือวัฒนาการทางสังคมเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆนะที่ลงตัวอยู่ทุกวันเนี่ยที่จริงมันอันตอนเริ่มต้นไม่ได้ออกมาอย่างนี้หรอกแล้วก็ท่านบรรยายถึงสถานภาพของบุคคลภายในชุมชนภายใน บริเวณตรงนั้นแหละบริเวณที่ประชุมคือเป็นบริเวณเป็นเป็นลานน ะ, ะไม่ใช่เป็นโรงอุโบสถอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็ยังนึกดูอยู่ว่าพระศาสดาของเรานั้นเกิดในป่าอยู่ในป่าศัตรุบำเพ็ญเพียรในป่าศัตรุในป่าก็อยู่ในป่ า, ปนนป า, ป า, ปาแล้วก็นิพพานในป่า ก็อย่างดีก็มีพระคันตะกุดีกหลังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อยู่ที่เขาสร้างถวายใหญ่ๆเนี่ยปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาที่บุพารามแล้วก็อาคารของรันนาทบินดิการเศษชีอันนี้ก็ห้าสิบสี่โกศไม่ไม่น้อยนะใหญ่กว่าพระเวุวัฒใหญ่ใหญ่กว่าบุพาราม เป็นการสร้างถวายเกศสงพระนาคา ร, รูร๋อย่างในรั้วในวังที่เคยประทับเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกแต่ก็มีกันในตอนหลัง ต, ตอนหลังก็ก็ใหญ่โตมโหฬารนี่ยก็ถือได้ว่าก็ใหญ่โตมโหฬารเพราะคนอยู่ได้เป็นพันพันหมื่นหมื่นนี่ยอย่ามหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยอยู่ได้ตั้งสามหมื่นคนนึกว่ามันใหญ่โตมาก น่าบริเวณต่างๆก็กว้างขวางมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ในปัจจุบันก็คงจะเพี้ยวกะอั ก, อ ก, กเลยแหละค่าใช้จ่ายก็ต้องเกิดแต่กิจการเหล่านี้มันดำรงอยู่ได้ด้วยพลังศรัทธาของาศาสนิกชนแต่งยุคสมัยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นทำตัวให้เป็น อาหุนโยควรแก่ของคำนับปะหุนโยควรแก่การต้อนรับภะกินโยควรแก่การทำบุญอัญชลีการานโยควรแก่การกระทำอัญเชลีแล้วก็ได้สถานะของบุญเยกเขตคือถือว่าเป็นเขตบุญอย่างยอดเยี่ยมไม่มีเขตบุญอื่นจะยิ่งไปกว่า เงนโตมันก็หลังไหลหลังไหลเทมาแล้วก็ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท็นอยู่สักช่วะไรพุทธศาสนกชนเหล่านั้นเขาก็เรียนรู้มาด้วยปากแล้วเป็นข่าวคราวต่างๆก็นึกดูถึงพลังศรัทธาของคนสมัยนั้นก็น่าดูนะเล้นึกดูเ น, นี่ยพระ ดูแห่งเดียวกันลงปฏิโมกแห่งเดียวกันทีเดียวตั้งห้าร้อยเนี่ยไม่ใช่เล่นนะเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่ว่าด้วยพลังศรัทธาของประชาชนเขาก็เลี้ยงดูเขาได้เรืงแต่ว่าการเลี้ยงดูพระสมัยนั้นมาก็ไม่รู้ราอย่างที่เลี้ยงดูสมัยนี้สมัยนี้ที่จริงก็รู้ราแล้วอาหารค่อนข้างดีก็ทําให้มีปัญหาเหมือนกัน อาหารที่ดีเกินไปมันก็มีปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องสภาคือคนแต่ละคนเนี่ยทำไม่กี่ครั้งเราปีเนี่งยินเดียวคนมันหลายคนเคยพูดบ่นกับพะกวัวบอกว่ารู้สึกว่าเราสูญเสียเวลาไปกับการสวดบุญชันเพจนี่เยอะเหลือเกินเนาะ ถ้าอยู่ซะบ้างก็ดีหรอกเธอก็บอกก็ถูกนะคือเขาบอกว่ามันไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะคนที่มาหมวดมานิมนต์เน่ะคือลูกศิษย์เธอก็นินมนต์ขึ้นบ้านใหม่นินมนต์แต่งงานนินมนต์วันเกิดเธอก็แต่งงา น, น, นครั้งเดียวขึ้นบ้านใหม่ก็ครั้งเดียว ันเกิดนั่นก็ปีละครั้งแต่บอดีลูกศิษย์เรามากกันเองเมื่อไปให้คนหนึ่งมันก็ต้องไปให้อีกคนห น, น, นึ่งคือรักษานนังใจคนเรานั้นนั่งคิดๆก็อจริงที่จริงเราไม่ได้ไปซ้ากิจกรรมเน่มันซ้นานะฮะแต่คนที่นิมนต์ไม่ได้ซ้พาพอดีคนมันมาก มันเกิดก็ทีหนึ่งเขาก็อยากจะพบอาจารย์เขาอะอยากจะทําบุญกับอาจารย์เขาเขก็ศรัทธาเวลาดีนี้มันก้าวหน้าขนาดที่มนไปต่างประเทศแล้วนะฮะทาบุญมันเกิดมานิมนพระจากกรุงเทพไปถึงอเมริกาก็มีเยอร ม, มันก็มีสวีเดนก็มีแบบนี้มีเยอะมากมันเพียองศรัทธาที่เราตอบไม่ได้ แต่ว่าการทำตัวของพระเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าการสารวมระวังเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกสูทั้งหลายการทําบุญก็เป็นเรื่องมังชาบ้านพอเมื่อเขาเห็นการสารวมระวังตามระมยะของสังก ค, คุณก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเราก็ปรารถนาที่จะทาบุญ เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเป็นแหล่งเกิดแห่งบุญที่เราเรียกว่าบุญเกียรติเหตุแแล้วก็พูดว่าล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องประกอบและเครื่องผูกไว้แล้วเครื่องประกอบกับเครื่องผูกเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ในชุดเดียวกันเครื่องผูกเนี่ยเขาจะเรียวกว่ากันทะบางทีก็เรียกประโยคะนะก็แล้วแต่ คันธะบางทีเราก็แปลว่าเครื่องลอยลัดก็คือเครื่องผูกคือพูกง่ายๆว่ากิเลสมันเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นแหละเป็นเครื่องผูกหรือว่าเครื่องประกอบประกอบก็คือโยคะโยคะนี่แปลว่าประกอบคล้ายๆก็เอาไปขังไว้มันก็มีอะไรก็มีกาโมโยคะโอคะคือกามเพราะว่าโยคะโอโยคะคือพบวิติโยคะโยคะคือทิศ อวิชโช อ, อวิชายโยคะโยคะเืออวิชาก็ตกลงว่าคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนแหล่ะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเรียกชื่อหลายชื่อเรียกว่าโยคะก็มีเรียกว่ากันถะก็มีเรียกว่าโอคะก็มีเรียกว่าอานสวะก็มีแต่สรุปว่าบรรลุอาสวาขยานแล้วท้าเราเนี้นะบรรลุอาสวาสยานแล้ว แน่นอนเราก็โดยสิริรอยพระอาหารหันต์ตามรอยพระอาหารหันต์ไปทํายังไงว่าบันเทากามโยคะลงไปหน่อยการประกอบสัตว์ไว้การผูกมัดสัตว์ไว้การตึงสัตว์ไว้ด้วยกามด้วยกามราคะแต่ว่าตัวที่ตึงนี่คือวัตถุกามนะแต่ว่าจิตเราไปผูกพันกับมันจิตนั้นประกอบด้วยกิเลสกาม แต่ตัววัตถุที่เราพอใจเนี่ยมันเป็นวัตถุการมปัญหาใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุข้างนอกแต่ว่าอยู่ที่ใจเราื่อเราคิดยังไงล่ะถ้าเราพยายามมองเห็นโทษมันก็จางคลายลงไปเองโดยไม่ใช่เรื่องหน้าหวาดกลัวสะดุ้งแต่ประการใด เพราะว่าโยะโอโยคะคือทิฏฐิท e ER ิฏฐิก็คือความเห็นเอไม่ใช่เพราะว่าโยคะโยคะคือพบพบเนี่ยก็คือความมีความเป็นความเป็นความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็คือมาสืบเนื่องมาจากเพราะว่าปัญหานั่ยแหละเพราะว่าตัญหาเพราะว่าทิฏฐิแล้วก็เพราะว่าโยคะเพราะว่ากันถะเพราะว่าโอคะก็แล้วแต่จะเรียกนะะก็ก็เรียกได้เยอะ คือจริงๆกิเลสเนี่ยท่านเรียกดามาการที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตในขณะนั้นๆเราก็มานั่งนับกันเยอะเลยแต่ถ้าเราดูที่จิตเราเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการที่เฉยแม้แต่ความโลภเนี่ยทําไมท่านเรียกชื่อต่างกันเพราะว่าแรงของความโลภที่มันเกิดขึ้นที่วัตถุแต่ละวัตถุแต่ละขณะแต่ละอารมณ์มันจะไม่เท่ากัน เพราะเราเรียกแรงๆว่าเพ่งเร่งโลภอยากได้หรือละโมบกับโลภอย่างเงี้ยที่ละโมบมันก็มากกว่าโลภหมายความว่าตัวความโลภมีนเกิดขึ้นมากกว่ามากกว่าคำว่าโลภเฉยๆละโมบจนถึงกระตะกราตะกรามนย่างเงีแต่เราเห็นว่าอาการกิริยามันมันไปด้วยอะจะมารับประทานอาหารด้วยตะกรตะกราม รับประทานอาหารด้วยความสำ ร, รวมระวังรับประทานอาหารด้วยความหิวจัดด้วยความหิวรับประทานอาหารตามเวลาภาพเหล่านี้มือมือก็สื่ อ, อ ส, าสารมาเราจะเห็นว่าอาการของผู้รับประทานจะต่าง ก, กันถ้าด้วยความหิวจัดแล้วแน่นอนมีลักษณะตะกุตะก้ตะกุบตกรมบ ร, รับประทานอาหารด้วยความหิว มันก็รับประทานไปค่อนข้างปกติรับประทานอาหารประจําวันบางทีก็ไปก็หิวอะไรเท่าไหร่ละแต่ว่าต้องรับประทานก็วเวลาข้างหน้าอย่างอีกยเยอะแล้วก็เห็นอาการกิรยการเนี่ยก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสื่อตรงนี้เราจะเห็นอาการมันจะออกมาเป็นรูปธรรมเราคิดเห็นว่าเป็นอาการที่เป็นรูปธรรมแล้วก็แสดงปฏิกิริยาต่อจิต นะมันมีความหยาบกลางละเอียดนะะเขาเรียกว่าหีนาปนิตามชิมะหีนาก็คือต่ำคือหยาบมัชิมะก็คือก ล, กลางปนิตาก็คือละเอียดละเอียดหมายความมกิเลสมันไม่มีพลังมากแต่ธรรมะกลับมีพลังมากแต่ฮีนานี่มันหยาบกิเลสมันแรงธรรมะมันน้อย การกำกับควบคุมใจมันคุมไม่ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นชื่อก็เรียกเรียกแตกต่างกันออกไปแล้วถ้าหากว่าเราเอาจำนวนกิเลสมากลางอะนะคือว่าเขียนเขียนแล้วมากลางแล้วจัดหมวดเี่ยมันก็คือ 3, 4, สามสี่สมมติว่าสี่ให้ชัดหนึ่งคือสี่เป็นราคะคือเรื่องของเพศเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มก็ราคะ แล้วก็โลภะก็ในเรื่องวัตถุอื่นนอกจากเรื่องเพศเนี่ยตรงนี้มีประเด็นอย่างหนึ่งคือว่ามีการอธิบายมีเอกสารแล้วเคยได้ยินเช่นสมมติว่าเราไปหยิบ ป, ปากกาเขามาใช้เนี่ยโดยไม่ได้บอกกล่าวกับเจ้าของเขาถือว่าเป็นการมเหตุมิชาจารจามีการอธิบายกันเป็นตุกเป็นตาง คือต้องเข้าใจนะฮะในสามข้อเนี่ยปานาติปาตาเน้นไปที่ชีวิตโดยเฉพาะถ้าทรัพย์สินมันก็มาอยู่ข้อที่สองแต่ทีนี้ปากกาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินก็เลยอยู่ข้อที่สองแต่เรื่องกาเมในเรื่องเพศโดยเฉพาะเลยพูดง่ายๆว่าเรื่องเมธุนธรรมโดยเฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปเกี่ยวกันในเครือข่ายของภูมิทุนธรรมเนี่ยแต่เป็นเรื่องของสัมผัสทางกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุอย่างอื่นถ้าเราไปล่วงละเมิดเสื้อผ้าะอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นสิ่งข้อที่สองคือพระเจ้าทรงจัดไว้ถูกต้องสมบูรณ์เราอย่าไปไปว่าเอาเองเพราะว่าเอาเองแล้วในที่สุดมันก็คล้ายๆกระต่างคนต่างพูดไป พอมาสื่อสารก็คือสื่อสารเยสื่อสารก็สารนั้นเป็นภาษาบ้างมาเป็นภาษาบ้างเป็นกิริยาการบ้างก็ไม่รู้ว่าือสื่อสารกันรู้เรื่องอะไรกันนั่นคือเรียกว่าอัถพยัญชนะมันไม่มีความขัดแย้งกันตัว น, นี้ท่านใช้สองคำคำว่าประกอบคําว่าเครื่องประกอบ แล้วก็คําว่าเครื่องผูกเป็นผู้ไม่มีความคับแคลนคือหมายความว่ากิเลสให้เราสังเกตว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุอะไรขับแคลนการหึงหวงการริษยาความอาฆาตพยาบาทความเร่าร้อนภายในเบียรการคับแคล น, อ, นอึดอัดขัดข้องทำอะไรไม่ได้มันว้วุ่นไปนหมดเกิเลสเป็นเหตุสร้างทาั้นั้น แต่ว่าถ้าใจเราลงให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายช่างเขาเถืะอเรื่องเขาเขากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเข้าไปไม่ยึดอะไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระโมคคัลลานะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ก็สอนในรูปข้องปล่อยวางเพราะยึดไว้มันก็อย่างนั้นเรายึดไว้ไม่ได้แม้ยึดการเวลาไว้เราก็ยึดไม่ได้อย่างรามเกียนบอกว่าหนุมานไป ย, ยึดรถพระอาทิตย์ไว้เนี่ยมันก็พูดได้นะฮะแต่ว่าจริงๆมันทำไม่ได้หรอกเว้นเมื่อเรารู้ว่ามันยึดไม่ได้มันก็ไม่ต้องยึดมันก็ปล่อยมันไป การเวลามาก็มาไปก็ไปก็ช่างมาันเราก็ทำประโยชน์ในเวลานั้นๆก็แล้วกันแต่ไม่ได้ทำประโยชน์กับเวลาไม่ได้หยุดที่เวลาไม่ได้เพิ่มเวลาเพียงแต่เราหาประโยชน์จากเวลาที่ผ่านมาแล้วกำลังผ่านไปอยู่ตลอดที่ยิบนะฮะตามไม่ทันเลยเป็นผู้มีพบใหม่สิ้นแล้วคือพบนั้นมันมีอยู่สามภพ การมาพบพบที่สัตว์โลกก็เสพกามก็แสดงว่ายังมีกิเลสเป็นเหตุให้เสพกามมันก็คืออบายสี่มนุษย์หนึ่งแล้วสวรรค์ห ก, ก ร, รวมแล้วก็เป็นสิบเอ็ดแล้วก็รูปประพบรูปประพบก็เป็นที่อยู่ของท่านซึ่งได้ได้ฌาน แล้วก็ได้บรรลุมรคผลห้าห้าชั้นเบื้องบนเนี่ยก็เป็นเรื่องพระนาคานีนอกจากนั้นลงมาก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดระดับเนี่ยก็ท่านที่ได้ฌานระยะบุคคลระดับรองลงมาคือโสดาสกิทาคาเนี่ยท่านจะเขาเรียกว่าเดวามนุษย์เสสุสังสารโตคือท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ท่านไม่ยอมเกิดเป็นพรหมหรอกเรพราะพรมมันเกิดแล้วมันนานมันไปค้างเติงอยู่ที่พรห ม, มโลกนี่นานมากบางทีผ่านพระพุทธเจ้าไปเป็นองค์์เลยยังไม่จุติเลยเสียโอกาสนะฮะเสียโอกาสในการเกิดในรู ป, ปรพรหมถ้าต้องการมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาจะอยู่แค่สวรรค์แค่สวรรค์แค่มนุษย์ตังเนี้ย จะตกนรกก็แล้วกันก็พยายามตกแต่งพบชาติให้มีความประนีคขนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอรูปภพซึ่งเป็นที่เกิดของท่านที่ได้อรูปรชาติพระอราหันต์มันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดภพท่านไม่มีกามาตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหา คือตัณหาที่นำไปสู่พบเนี่ยตัณหาชะเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดอ้าวแต่ท่านไม่มีตัณหานี่ท่านก็ไม่รู้จะเกิดยังไงไม่มีอะไรให้เกิดเพราะไม่มีตัวตนในความเป็นประหรันมันเป็นความบรรลุอรหัตคือความเป็นพระอรหันต์มันเป็นนามธรรมที่ปรากฏแก่จิต แสดงสถานะออกมาเป็นส ง, งบเย็นแล้วก็ปิติอันนี้ก็คือตัวชัดนะฮะส ง, งบเย็นแล้วก็ปิติพระสารเ่านั้นก็ไม่ได้เพงเกิดในภพหรือว่าภพใหม่เนี่ยภพใหม่นี่สิ้นแล้วแต่ว่าภพปัจจุบันยังอยู่นะภพปัจจุบันในการมาพบที่ท่านเกิดนี่ยังอยู่ต้องนิพพานะก่อนคือต้องตายก่อน เป็นผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐคุณในที่นี้ก็คืออรหัตคุณแล้วก็ทันได้แล้วด้วยบรรลุมรรผลเป็นพระหันแล้วด้วยจากนั้นก็พูดถึงพระพุทธเจ้าเทียบเกียงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยห้อมล้อมด้วยอมาตย์เสด็จเรียบพระมหานานิอาณาจักรนี้ ซึ่งมีสมุดสาครเป็นขอบเขตโดยรอบชั้นใดสมบกทั้งหลายผู้บรรลุไรวิชาคือวิชาสามประการวิชาสามประการก็คือบุเพในวารสาญญรัญรึกชาติก่อนๆได้ยูตูปปาติยานรู้การจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายตลอดตึ้งแต่ละขนาดนะฮะถ้าท่านต้องการรู้ท่านก็รู้ได้ แต่ว่ารู้ทุกขณะไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามันเป็นพุทธวิสัยคือไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะไปอย่างรู้ได้ละเอียดขนาดนั้นทียิบมากเ ก, าเกิดตายเกิดตายนี่ยทียิบมากเกิดแล้วชะลออยู่ได้เนี่ยถือว่าเก่งนะ พระพนพรเจ้าจึงทรงแสดงถือว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะกิจฉั่งมันจานชีวิตต่างการดํารงชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นไปได้ยากกิจฉั่งศรธรรมสวรรค์การมีโอกาสฟังพระศรธรรมแล้พูดถึงพระศรธรรมคุณหมอเอกชัยจุลาจาริศกับโยมคนหนึ่ง ชื่อยุพินก็ซีดีที่อัดในการบรรยายที่วันเสาร์ของอาตมาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรดีวดีเนี่ยที่คุณยุพินทำเนี่ยมันมีอยู่ห้าร้อยกว่าชั่วโมงแล้วก็ที่คุณหมอทำเนี่ยร้อยกว่าชั่วโมงแต่ว่าอยู่ในม้วนเดียวตัเนเองอยู่ในม้วนเดียว ันทั้งสองประเภทนี้ถ้าญาติโยมที่เคยฟังกันแล้วก็สนใจที่จะเก็บไว้ฟังก็สามารถติดต่อขอมาได้นะมารับที่วัดนะมารับที่วัดก็มีญาติโยมมาโดยไม่ได้รู้เรื่องนี้หรอกแต่เขาก็มารับไปมาเขาแสดงความจำนวงกขต้องการเราก็เผยแพร่ไป ก็มีญาติโยมถามว่าขายไหมบอกว่าไม่มีการขายหรอกมีเท่าไหร่ก็แจกเท่านั้นแจกแล้วก็แล้วไปนะถ้าเรามีปัจจัยอะไรต่ออะไรขึ้นมาเราก็ทาต่อคือทำตามมีตามได้นะทาตามมีตามได้ได้มาแล้วก็เผยแพร่ไปเราต้องแต่ว่าต้องการให้คนที่มีเครื่องเปิดคือดีวีดีสมัครเปิดเนี่ยามาเองก็มมีเครื่องเปิดหรอกยังยังไม่ได้เปิดฟังเหมือนกัน ตอนนี้ก็มีสรุปสองสองรายเนี่ยนะก็รวมรวมสองร้อยสองร้อยชุดแต่อย่าลืมนะฮะสองร้อยชุดนี่มันก็รวมเจ็ดร้อยชั่วโมงนะฮะแต่ว่าก็มีอะอะไรล่ะเขาเรียกอะไรซีดีเนี่ยดีบเนี่ยก็เจ็ดม้วนเนี่เจ็ดม้วนเท่านั้นเองแต่ว่ า, าเก็บข้อความไว้ฟังได้ถึง ร่วมเจ็ดรอยอ่ะร่วมเจ็ดรอยชั่วโมงทัานผู้ใดสนใจต้องการจะนำไปฟังก็ติดต่อมาได้รับที่วัดได้ข้อต่อไปท่านบอกว่าอสวกยานนะคือว่าวิชาสามเนี่ย มันก็คือระลึกชาติก่อนได้รู้เหตุให้เกิดจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็บรรลุอานสัขยานคือหมดอาสวกกิเลสผู้ละมรุตยะมรุตยุราสเสียได้คือหมายความมันไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายวันทหารท่านจึงไม่เรียกว่าตายเพราะตายมันคู่กับเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดอ้ น, นี่ไอ้ น, นี่เราจะเรียกว่าตายมันก็นไม่ได้เพราะไม่มีตัว ตัวตนบุคคลที่เป็นผู้ตายในกาตายในขอตายนะขอตา ย, าตายอะไรต่างๆไมันได้มีอ่ะที่เราพูดมันสมมติเอาแต่างงพระพุทธเจ้านิพานพระหันนิพานเนี่ยสารีบุตรนิพานพระโมคคัลลานิพกกา น, า น, านเราก็พูดสมมติเอาท่านไม่มีตัวตนให้นิพานท่าน เ, นเรียกว่าความดับมับนก็เรียกชื่อใหม่ว่านิพาน แล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกพิเศษว่าปารินิพานแปล ว, ว่าดับหมดหรือดับรอบหมดรอบด้านทุกเรื่องทั้งกิเลสทั้งกรรมกระบวนการของปัจจัยการสายเกิดนี่ดับไปหมดแล้วเข้าถึงภาวะของนิพานแล้วก็บอกว่าย่อมนั่งห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชำนะสงครามแล้วสงครามในที่นี้ก็คือการต่อสู้กับอำนาจของกิเลส นะกิเลสเนี่ยเขาถือว่าพยามารพยามารเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจอมของกิเลสกิเลสสมานะพวกนี้เรียกกิเลสสมานพยามา น, นั้นเป็นมัจจุมาต์ไม่ใช่เป็นเป็นเทวปุตตมานวันสงครามที่รบกันยากที่สุดก็คือรบกับกิเลสแม้แต่การให้ทานหลอนสังเกตว่าที่จริงเราต้องต่อสู้กับความเสนีหที่เหนียวนะ ความเสียดายต่างๆแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ชักกเยอ่อกันไปชักกเยอ่อกันมามันทีเราก็แพ้ก็ททำไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆข่าวคราวโดยเฉพาะที่ปรากฏทางอุศอ 3, าวาช่องสามกับช่องเจ็ดในข่าวทุกกเวทนาของเพื่อนร่วมชาติเนี่ยหรือถ้าเรามีโอกาสฟังข่าวเราก็จะได้ได้ข่าวอย่างเงี้ยมีมีชิ้นนึงเวลาทุกครั้งเนี่ยมันก็เกิดความชิด ความคิดอยากจะช่วยเขาทุกที แ, แต่เราก็ไม่มีทตังที่จะไปช่วยอะไรได้นาดนั้นก็ยังนึกว่ารัฐบาลมันน่าจะมีงบกลางพิเศษไว้สงบเีนี่ยนักศึกษาสอบเข้าหมหาวาิทยาลัยขนาดวิชาแพทย์นะฮะไม่มีข่าหน่วยจิตแล้วก็ไม่ได้เรียน โอ้มันเสียดายทรัพยากระยอย่างนี้ว่าเราเล่นอิดเล่นหินกันอยู่เยอะนะฮะแต่เสาเสาของอะไรอะสพาลอยต่างๆไอ้สภาลอยนะฮะเป็นล้านๆนะฮะสร้างเสาได้เสาหนะึ่งแต่ในขนาะเดียวกันเราก็สร้างคนได้คนหนึ่งด้วยนะสร้างนายแพทย์ได้คนนึง คือเราน่าคิดมากในเรื่องตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาไม่เคยคิดอะไรกันเท่าไรบอกว่าเป็นผู้นำพวกนำพวกนี้ก็คือสถานั่นแหละธ ท, ทวหะมันเหมือนกันในกองเกวียนพระพุทธเจ้าเนี่ยนำคนขึ้นสู่ท้าเป็นที่ข้ามขึ้นจากสังสารวัฏเรียกนํำพวกหรือน้ำบู สัทธาวาหะก็มาจากสัาเนี่ยสัทาเดวะมนุษย์สานังไม่ใช่มาจากสัาคือสัทาเนี่ยมาจากสัทธาวาหะแล้วก็พูะเจ้าก็เป็นผู้นำของสงฆ์เหล่านั้นหาผู้นำอื่นยิ่งกว่าไม่มีฉะนั้นสาวกทั้งหมดเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชั่วช้าไม่มีในสมาคมนี้ คือเป็นพระหันล้วนๆมันไม่มีคนชั่วช้าหรอกถ้าพระองค์ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หักลูกศรคือตัณหาเสด้ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระชิตนี้ก็แสดงให้ให้เห็นเรื่องความแหลมคมของพระวังคีศัคือท่านเป็นพระอราหันต์หนุ่มเพิ่งบวชที่จริงบวชไม่นานหรอก แต่ว่าท่านก็บรรลุมรผลเป็นพระหันแล้วแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นการแสดงถึงสถานภาพของคนที่ได้เชื่อเป็นพระหรันและในขณะเดียวกันกิเลสที่พระหันทะละได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินตามลดละกันไปตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ก็สำคัญไว้อยู่บนเส้นทางเดียวกับพระอรหันต์กันแล้วกัน ส่วนจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนเพียงายก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นต้องฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงทางนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก อ, ง, ง, อ ง, งามไปบูรณนธรรม อ, อยู่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี